สรุปสาระสำคัญพระอภิธรรมปิดกประมวลพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรมคือหลักธรรมและคำอธิบายที่เป็นเนื้อหาวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์แบ่งเป็นเจ็ดคำพีเรียกย่อหรือหัวใจว่าสังวิทาปุกกะยะปะสิบสองเล่มดังนี้หนึ่งธรรมสังคณี 2. วิพังสาาตุกะถาสปุคละบัญญัติหกะถาวัตถุหกยมกเจ็ปัจฐานเริ่มต้นที่เล่มสามสิบสี่ธรรมสังคณีต้นเล่มแสดงมาติกาหรือแม่บทอันได้แก่บทสรุปแห่งธรรมทั้งหลายที่จัดเป็นชุดชุดมีทั้งชุดสาม เช่นจัดท e. ุกสิ่งทุกอย่างประดามีเป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมอพยากตธรรมชุดหนึ่งเป็นอดีตธรรมอนาคตธรรมปัจจุบันธรรมเป็นต้นและชุดสองเช่นจัดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสังกตธรรมและอสังกตธรรมชุดหนึ่งโลกิยธรรมโลกุจระธรรมชุดหนึ่งเป็นต้น รวมทั้งหมดมี164ชุดหรือ164มาติกาตอนต่อจากนั้นซึ่งเป็นเนื้อหาส่วนสำคัญของคำภีนี้เป็นคำวิสัชนาขยายความมาติกาที่หนึ่งเป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นกุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยกตะธรรมที่กระจายออกไปในแง่ของจิตเจตสิกรูปและนิพพาน ท้ายเล่มมีอีกสองบทแต่ละบทแสดงคำอธิบายยอ่อหรือคำจำกัดความข้อธรรมะทั้งหลายในมาติ ก, กาที่กล่าวถึงข้างต้นจนครบ164มาติ ก, กาได้คำจำกัดความข้อธรรมะในสองบทต่างแนวกันเป็นสองแบบแต่บทท้ายจำกัดความไว้เพียง122มาติกาเล่ม35ิวิพัง ยกหลักธรรมะสำคัญสำคัญขึ้นมาแจกแจงแยกยะอธิบายกระจายออกให้เห็นทุกแง่และวินิจฉัยจนชัดเจนจบไปเป็นเรื่องๆ ร, รวมอธิบายทั้งหมด18เรื่องคือขันหอายตนา12บสองท่าสิบปอริยสัจสอินรียสองปฏิจสมุปปะบาทสติประธานสี่ส ม, มัตประธานสี่อิทธิบาทสโพชง8มักมีองแ์ด ฌานอั ป, ปมัญญาศีลห้าปฏิสัมพิทาสี่ยานประเภทต่างๆและเบ็ดเตล็ดว่าด้วยอากุศลธรรมต่างๆอธิบายเรื่องใดก็เรียกว่าวิพังของเรื่องนั้นเช่นอธิบายขันห้าก็เรียกขันธะวิพังเป็นต้นรวมมีส8บปดวิพังเล่มส6มมีสองคำพี คือทาตุกถานำข้อธรรมะในมาติกาทั้งหลายและข้อธรรมะอื่นๆอีกหนึ่งอย่ห้าอย่างมาจัดเข้าในขันห้าอายตนะสองและห8บว่าข้อใดจัดเข้าได้หรือไม่ได้ในอย่างไห น, ไหนและปุคละบัญญัติบัญญัติความหมายของชื่อที่ใช้เรียกบุคคลต่างๆตามคุณธรรมเช่นว่าโสดาบันได้แก่บุคคล ผู้ละสังโยชน์สามได้แล้วดังนี้เป็นต้นเล่มที่สามสิเจดกถาวัตถุคำพีที่พระโมคคิลีบุตรติสเถระประธานการสังคยาาครั้งที่สามเรียบเรียงขึ้นเพื่อแก้ความเห็นผิดของนิกายต่างๆในพระพุทธศาสนาครั้งนั้นซึ่งได้แตกแยกกันออกไปแล้วถึงส8บปดนิกายเช่นความเห็นว่า พระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตผลได้เป็นพระอรหันต์พร้อมกับการเกิดได้ทุกอย่างเกิดจากกรรมเป็นต้นประพันธ์เป็นคำปุจฉาวิสัชนามีทั้งหมด219กคาถาเล่มที่ส8มสยมกภาคหนึ่งคำพิยมกนี้อธิบายหลักธรรมสำคัญ ให้เห็นความหมายและขอบเขตอย่างชัดเจนและทดสอบความรู้อย่างลึกซึ้งด้วยวิธีตั้งคำถามย้อนกันเป็นคู่คู่ยมกหรือยะมกกะแปลว่าคู่เช่นถามว่าธรรมะทั้งปวงที่เป็นกุศลเป็นกุศลละมูลหรือว่าธรรมะทั้งปวงที่เป็นกุศลละมูลเป็นกุศลรูปทั้งหมดเป็นรูปประขันหรือว่ารูปประขันทั้งหมดเป็นรูป ทุกทั้งหมดเป็นทุกข์กษัตริย์หรือว่าทุกข์กษัตริย์ทั้งหมดเป็นทุกข์หลักธรรมที่นำมาอธิบายในเล่มนี้มีเจ็ดคือมูลเช่นกุศ ล, ลมูลขันอายตนะพาสสั จ, จสังขารอนุัยถามตอบอธิบายเรื่องใดก็เรียกว่ายมกของเรื่องนั้นๆเช่นมู ล, ละยะมกขันทายะมกเป็นต้น เล่มนี้จึงมีเจ็ดยมกเล่มที่สาสิบเกยมกภาคสองถามตอบอธิบายหลักธรรมเพิ่มเติมจากภาคหนึ่งอีกสามเรื่องคือจิตตะยะมกและธรรมยะยมกซึ่งได้แก่กุศลอกุศลอัพยากตธรรมและอินรียะยะมกบรรจบเป็นสิบยมกเล่มสี่สิบ ปัจฐานภาคหนึ่งคำภีปัจฐานอธิบายปัจจัย24โดยพิสดารแสดงความสัมพันธ์อิงอาศัยเป็นปัจจัยแก่กันแห่งธรรมะทั้งหลายในแง่ด้านต่างๆธรรมะที่นำมาอธิบายก็คือข้อธรรมที่มีในมาติกาหรือแม่บทหรือบทสรุปธรรมะซึ่งกล่าวไว้แล้วในต้นคำภีสังคณีนั่นเองแต่อธิบายเฉพาะหนึ่งยมาติกาแรก ที่เรียกว่าอภิธรรมมาติกาประานเล่มแรกนี้อธิบายความหมายของปัจจัย24เป็นการปูพื้นความเข้าใจเบื้องต้นก่อนจากนั้นจึงเข้าสู่เนื้อหาของเล่มคืออนุโลมติด ก, กับปัะฐานอธิบายความเป็นปัจจัยแก่การแห่งธรรมะทั้งหลายในแม่บทชุดสามคือติกะมาติกาโดยปัจจัยยี่สิสนั้นเช่นว่า กุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรอกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมโดยอุปนิสัยปัจจัยอย่างไรกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมโดยอารมณะปัจจัยอย่างไรเป็นต้น เล่มนี้อธิบายแต่ในเชิงอนุโลมคือตามนัยยะปกติไม่อธิบายตามนัยยะปฏิเสธจึงเรียกว่าอนุโลมปัจฐานเล่มที่สีบอปัจฐานภาคสองอนุโลมติดกับปัจฐานต่อจากเล่มที่แล้วคืออธิบายความเป็นปัจจัยแก่กันแห่งธรรมะทั้งหลายในแม่บทชุดสามต่อจากเล่มสี่สิบ เช่นอดีตธรรมเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบั น, นธรรมโดยอารัมมะปัจจัยคือพิจารณารูปเสียงเป็นต้นที่ดับเป็นอดีตไปแล้วว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเกิดความโทมนัสขึ้นเป็นต้นเล่มที่ส2สองปัจฐานภาคสามอนุโลมทุกขะปัจฐาน อธิบายความเป็นปัจจัยแก่กันแห่งธรรมะทั้งหลายในแม่บทชุดสองทุตกัปมาติกาเช่นโลกิยธรรมเป็นปัจจัยแก่โลกิยธรรมโดยอา ร, รัมมณะปัจจัยตัวอย่างเช่นรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณดังนี้เป็นต้นเล่มที่สีบสามปัจฐานภาคสี่อนุโลมทุตกัปปัจฐานต่อจากเล่มที่แล้ว เล่มที่สี่สิบสี่ปัจฐานภาคห้ายังเป็นอนุโลมปัจฐานแต่อธิบายความเป็นปัจจัยแก่กันแห่งธรรมะทั้งหลายในแม่บทต่างๆข้ามชุดกันไปมาประกอบด้วยอนุโลมทุกกะติกะปัจฐานธรรมะในแม่บทชุดสองคือทุกกะมาติกาโยงกับธรรมะในแม่บทชุดสาคือติกกะมาติกาเช่น อธิบายกุศลธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่เป็นโลกิยธรรมโดยอธิปฏิปัจจัยเป็นอย่างไรเป็นต้นอนุโลมติกะทุกกะปัฏฐานธรรมะในแม่บทชุดสามคือติกะมาติกาโยงกับทุกกะมาติกาคือธรรมะในแม่บทชุดสองอนุโลมติกะติกกะปัฏฐาน ธรรมะในแม่บทชุดสามโยงกับธรรมะในแม่บทชุดสามโยงระหว่างต่างชุดกันเช่นอธิบายว่ากุศลธรรมที่เป็นอดีตธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมที่เป็นปัจจุบันธรรมเป็นอย่างไรเป็นต้นอนุโลมทุกกะทุกกะปัจฐานธรรมะในทุกกะมาติกาคือแม่บทชุดสองกับธรรมะในทุกกะมาติกา ในแม่บทชุดสองโยงระหว่างต่างชุดกันเช่นชุดโลกิยะโลกุตระกับชุดสังคตะอสังคตะเป็นต้นพระไตรปิฎกเล่มสุดท้ายเล่มสี่ห้าปัจฐานภาคหเป็นปัจจนียะปัจฐานคืออธิบายความเป็นปัจจัยแก่กันแห่งธรรมะทั้งหลายอย่างเล่มก่อนๆ น, นั่นเองแต่อธิบายแง่ปฏิเสธ แยกเป็นปัจจนิยะปัจฐานคือปัจจนีในวงเล็บปฏิเสธบวกปัจจนีในวงเล็บปฏิเสธเช่นว่าธรรมะที่ไม่ใช่กุศลอาศัยธรรมะที่ไม่ใช่กุศลเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรอนุโลมปัจจนิยะปัจฐานคืออนุโลมบวกปัจจนีในวงเล็บปฏิเสธเช่นว่า อาศัยโลกิยะธรรมธรรมะที่ไม่ใช่โลกุตระธรรมเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรปัจจนียานุโลมปัจฐานคือปัจจนีในวงเล็บปฏิเสธบวกอนุโลมเช่นว่าอาศัยธรรมะที่ไม่ใช่กุศลธรรมะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรและในทั้งสามแบบนี้แต่ละแบบ จะอธิบายโดยใช้ธรรมะในแม่บทชุดสามแล้วต่อด้วยชุดสองแล้วข้ามชุดระหว่างชุดสองกับชุดสาชุดสามกับชุดสองชุดสามกับชุดสามชุดสองกับชุดสองจนครบทั้งหมดเหมือนกันดังนั้นแต่ละแบบจึงแยกซอยละเอียดออกไปเป็นติกะทุกกะทุกกะติกะติกะทุกกะติกกะติกะ ทุกกะทุกกะตามลําดับเขียนให้เต็มเป็นปัจจนียติกะปัฐานปัจจ尼ยะทุกกะปัฐานปัจจ尼ยะทุกกะติกะปัฏฐานดังนี้เรื่อยไปจนถึงท้ายสุดคือปัจจ尼ยานุโลมทุกกะทุกกะปัฏฐานคัมภีร์ปัฏฐานนี้ท่านอธิบายค่อนข้างละเอียดเฉพาะเล่มต้นๆเท่านั้นเล่มหลังๆท่านแสดงไว้แต่หัวข้อหรือแนว และทิ้งไว้ให้ผู้เข้าใจแนวนั้นแล้วเอาไปแจกแจงโดยพิศดานเองโดยเฉพาะเล่มสุดท้ายคือภาคหแสดงไว้ย่นย่อที่สุดแม้กระนั้นก็ยังเป็นหนังสือถึงหกเล่มหรือส 3, 3 2 0ันสหน้ากระดาษพิมพ์ถ้าอธิบายโดยพิศดานทั้งหมดจะเป็นเล่มหนังสืออีกจำนวนมากมายหลายเท่าตัวท่านจึงเรียกปัจฐานอีกชื่อหนึ่งว่ามหาปกรณ์แปลว่า ตำราใหญ่ใหญ่ทั้งโดยขนาดและโดยความสําคัญพระอัตตกถาจารย์กล่าวว่าพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมดแปดหมพันพระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระธรรมวิไนสอง 1,000 พระธรรมขันธ์พระสุตันตปิฎกสองหมพันพระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎกสี่หมสองพันพระธรรมขันธ์